การทุรกิจไหลลื่นแบบนั้นเราพยายามประคับประคองมันให้ให้ไปอย่างมีสติการที่ประคับประคองไปอย่างมีสตินี่เราเรียกว่าทวนกระแสะแต่การที่ไม่มีสติในการเคลื่อนไหวเราเรียกว่าไหลไปตามกระแสะแต่เมื่อใดเรามีสติในการประคับประคองอาการเราเรียกว่าทวนกระแสะนี่เราจึงเห็นทุกได้ชัดเพราะฉะนั้นการที่โยอมทําแล้วมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยโชคดีแล้วที่มีคนทําให้ทุกแบบนี้นะถ้าไม่ทุกแบบนี้มันก็จะไม่เห็นนะเมื่อไม่เห็นมันก็จะไม่ สังเกตไม่เฝ้าดูนะเหมือนกับเราถ้ามันไม่สะดุดเนี่ยเราจะไม่ก้มดูเลยว่าไอ้ทางตรงนั้นมันมีอะไรถ้ามันไม่เก็บหูไม่พลาสก่อนตรงนั้นมันมีเป็นตอหรือเป็นแก้วหรือเป็นหนามมันจะไม่ก้มไปสํารวจดูเดินเพลินไปละมองไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่สะดุดเมื่อไหร่ปั๊บมันก็จะมองทางทันทีว่าแล้วต่อไปมันจะระวังแล้วโอกาสที่จะสะดุดจะล้มมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกฉันใดก็ดีถ้าเรามองตัวเองเนี่ยเหมือนกับมองทางเฝ้าดูตัวเองเนี่ยมันก็เฝ้าดูมองทาง แต่เมื่อใดเราไม่เฝ้าดูตัวเองเนี่ยเหมืนได้มองข้างหน้ามองเตลิดไปนู่นมันจะเป็นหลุมเป็นร่องเป็นน้ำเป็นแก้วเป็นอะไรเสร็จอะไรเราก็ไม่เห็นเราเหยียบมันเลื่อยเปล่อยไปเหมือนกันฉั้นใดก็ดีหลักที่หนึ่งเราจะต้องมาเฝ้าดูตัวเองให้ชัดๆตั้งแต่หัวจุดเท้าเท้าจุดหัวเฝ้าดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เห็นอาการของตัวเองไม่ใช่เห็นว่าตัวเองเป็นคนสูงต่ำดําขาวเห็นเป็นตัวเองในนั่นนั่งนี่เห็นตัวเองเป็นตําแหน่งนั้นไม่ใช่เห็นอย่างนั้นเห็นตัวเองในที่นี้เห็นอาการ เห็นอาการว่าอาการขณะนี้เป็นอย่างไรเห็นจนว่าอาการนี้ปรากฏแก่จิตชัดเจนจนกระทั่งความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันหายไปเห็นใจอาการของทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้เห็นที่ขนาดนั้นถ้าดับใดเรายังไปสําคัญอาการของทุกข์เราเป็นเราเป็นเขาอยู่เนี่ยก็ยากอยู่เนี่ยอันน <to> ี <is> <aisia> human, be ้คือความยากของมันเบื้องต้นเนี่ยเขาเรียกว่าสกายาะทิฐิมาเห็นตัวเองยังเป็นตนเป็นตัวอยู่แต่เมื่อใดเห็นตัวเองนี่คือก้อนทุกข์ อาการของทุกข์กำลังนั่งอยู่อาการของทุกข์กำลังทําอยู่อาการของทุกข์กำลังกินอยู่เห็นขบวนการอันนี้ชัดเจนจนชำนิชํานาญเนี่ยนี่อาการเห็นรูปนามต้องมาเห็นอย่างนี้เห็นรูปนามของกายถ้าเห็นรูปนามเป็นยอย่างอื่นนะ่ยไม่ใช่แล้วเห็นอาการของรูปนามง่ายๆคือเห็นอาการของทุกข์ปรากฏชัดเห็นให้ชํานาญแต่ว่าเห็นทุกข์แล้วอย่าเข้าไปในทุกข์เห็นทุกข์แล้วอย่าเข้าไปในทุกข์ เห็นท <store> ุกเห็นสมูธฐานของทุกแล้วอย่าเข้าไปแต่ว่าหาตัวว่าจะทำยังไงให้มันอยู่ได้ให้มันทนได้เรียกว่าหามักหาทางนะนะหาทางดับหาทางดับทุกอันนี้เรื่อยไปการที่เราแสวงหาทางดับทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายใจไม่สบายใจตลอดเวลานี้เราเรียกว่าเห็นมัจอยู่กับมักแลเป็นอริยมัก แต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักรูปนามเนี่ยจะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเอาแน่นอนไม่ได้พอเราได้รับการกระตุ้นกระเทือนหน่อยก็กลับมาเข้าดูพอลืมสติก็ไปดูเรื่องอื่นต่อไปไปอยู่กับเรื่องอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าผู้ที่เข้าใจเห็นรูปนามนั้นจะมาดูตัวเองอย่างน้อยเนี่ยขนาดหนึ่งยนะี่สิบห้าเปอร์เซนยี่สิบห้าเปอร์เซนนะดูดูเห็นอาการของตัวเองเนี่ยเห็นอย่างน้อยที่สุดต้องยี่บห้าเปอร์เซนถ้าต่ำกว่านั้นไม่ใช่นะ นั้นเมื่อเราเห็นอาการร่างกายของตัวเองรูปนามนี่มันเป็นทุกข์เราดูมันบ่อยๆไม่ใช่ไปจบแค่นั้นเพิ่งเริ่มเห็นต้นทางแล้วเห็นต้นทางของพระนิพพานแล้วคือเห็นทุกข์ที่เราสวดมนตเมื่กี้ว่าเห็นถุกคือเห็นอย่างไรคือเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นการดับทุกข์แล้วก็เห็นวิธีที่จะดับทุกข์เนี่ยเห็นถูกไม่เห็นอย่างนั้นนะทีนี้เมื่อเราเราสํารวจตรวจสอบเข้าดูอยู่อย่างนี้เสมอๆเนี่ย ก็เห็นอาการร่างกายร้อนบ้างหนาวบ้างเจ็บบ้างป่วยบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างดีบ้างเชื่วบ้างเห็นมาอยู่นั้นแต่ถ้าหากว่าเราเห็นอาการนี้ที่ไม่มีปัญญาแล้วเราจะกลัวถ้าปัญญาไม่เกิดมันจะกลัวทุกข์อันนี้เพราะฉะนั้นคนเรานี่เป็นอะไรที่ไหนมันจะวิ่งหาอยู่หายาหาข้าวหาน้ําหาหมอหายาม้ะลักษายอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนนี่ที่เราเห็นทุกข์แล้วเราไม่รู้จับทุกข์เราก็จะวิ่งหาวิธีการดับทุกข์แบบภายนอก อาศัยหมออาศัยยาอาศัยสิ่งข้างนอกแต่ถ้าเมื่อใดเราเห็นทุกนี้ด้วยปัญญาที่เราสวดว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายสังขารจิตใจจิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีสาระเมื่อนั้นนะเห็นด้วยปัญญาอั น, อนชอบนะเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงอาธานิพินชาติทุ KA, กเเอสมโควิสุเดียนนั่นแหละ ต้นทางแห่งพระนิพพานท่านบอกไว้ชัดเจนเลยถ้าเห็นอาการของทุกขชัดเจนเนี่ยเห็นต้นทางพระนิพพานแล้วเห็นด้วยปัญญาด้วยนะ mm. เราจะรู้ได้อย่งไรว่าเห็นอาการของทุกนี้ด้วยปัญญาถ้ามันเกิดความเหนื่อยหน่ายตรงนั้นถ้าเห็นแล้วมันไม่เกิดความหนื่อยนายไม่เกิดความเบื่อห น, หน่ายเนี่ยมันเห็นเฉยๆแล้อย่างคนสูบบุหรี่เนี่ยก็รู้ว่าสูบแล้วมันไม่ดีแต่มันเลิกไม่ได้เพราะมันยังไม่เห็นด้วยปัญญา แต่ที่มันรู้ไม่ดีสุบแล้วไม่ดีคนคนเกลียดคนชังคนไม่ชอบอย่างนั้นมันรู้มันเห็นอยู่แต่มันเห็นด้วยไม่ได้ปัญญามันเห็นด้วยกิเลสมันก็เลยละเลยทิ้งไม่ได้นะแต่พอมาปฏิบัติแล้วมันเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารเนี่มันทุกข์พอแล้วอายมุขอะไรต่างๆไม่อยากเข้ามาเพิ่มมันทุกข์อีกทําไมมันก็จะเลิกได้นะนี่ขั้นๆจนต้นสิ่งกระบายยมุกทั้งหลายทั้งปวงเนถ้าหากว่าเห็นรูปนามจริงๆแล้วี่มันจะเลิกได้หมดเลย ไม่ต้องแปลกใจว่าพระเจชีอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเห็นรูปนามหรือเปล่าที่ยังติดมากติดยากันเนี่ยก็ไม่ต้องไปแปลกใจนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาศึกษาถึงแก่นของมันว่าเราเห็นรูปนามคือเห็นอาการของทุกข์ในชัดแต่ไม่จะเห็นว่าวอกแวมแวเห็นบางครั้งบางคราวเห็นตลอดเวลาตลอดเวลา25นะแต่เห็นตลอดเวลาร้อเซก็หมายความว่ามันก็หมดทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่เห็นเวลาตลอดเวลา25้าปซนเท่านั้นนะ จะเห็นมากกว่านั้นมันก็ก้าวขึ้นไปสูงกว่านั้นอีกอันนี้ในขั้นที่หนึ่งยต้องมารู้จักรูปจักนามคือเห็นอาการของทุกข์เป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องบอกว่าเรารู้จักรูปจักนามว่าเห็นอาการของทุกข์เมื่อเห็นอาการของทุกข์แล้วเราก็จะไม่เธอเยอทะยานที่จะไปพอกพูนก้อนทุกข์อันนี้ให้มันหนาแน่นขึ้นไม่ใส่เชือกเพาะงั้นเถอะยังไม่ได้ไปพระะนคนเห็นรู้จักรูปนามจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าต้องลดละอบายมุขได้หมดถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไม่สนุกในการแต่งตัวอีกต่อไป ไม่แต่งหน้าแต่งคิ้วแต่งผิวแต่งพันอะไรต่อไปแล้วมันจะเอาเท่าที่มันมีตามธรรมชาตินั่นแหละนะธรรมชาติมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นเพราะไอ้ธรรมชาติที่มันมีอยู่เนี่ยมันทุกข์มากพอแล้วถ้าจะไปแต่งข้อพันเข้าไปอีกมันก็ยิ่งเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกถ้าคนรู้จักลูกจากน้ำจริงๆมันจะอย่างนั้นได้แต่ไม่ใช่แกล้งเลิกนะแกล้งเห็นนะถ้าแกล้งเลิกเขาต้องบอกว่าถ้าเห็น รูปนาจริงๆมันจะเลิกแล้วก็ก็ไปเลิกมันเดี๋ยวมันเถอไม่รู้จากรูปนําขึ้นมาไปกลับไปแต่งใหม่อีกอันนี้ไม่ใช่นะถ้าเห็นดีเห็นด้วยปัญญาแล้วมันจะเลิกได้เพอเห็นโทษนะพราเห็นโทษของสังขารแล้วมันเลิกได้ถ้าไม่มีปัญญาไม่เห็นโทษของมันดังนั้นขั้นที่หนึ่งเนี่ยต้องร้องเข้าใจนี้ให้ชัดๆทบทวนอย่างนี้แหละแล้วถ้าหากว่าคนที่เข้าใจมากรูปน้ํามากขึ้นมันก็จะลดความทะเยอทะยานลดความคึกขนองลง แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมารู้จักรูปนามปั๊บเนี่ยมันมักจะมันมักจะเสียท่าเสียเสียทีเสียทีไม่ใช่เสียท่าเนี่ยเสียท่าเสียทีกิเลสกิเลสมันเข้าแทรกพอกิเลสเข้าแทรกปั๊บเนี่ยมันจะสําคัญกิเลสเนี่ยเป็นธรรมะไปเลยถ้าเรียกอาการนี้ว่าวิปัสสนูไม่ใช่วิปัสนาอ่าอันนี้ต้องระวังคนที่เห็นรูปนามชัดๆเนี่ยธรรมะมันจะเกิดมากมายคือหมายความว่าเป็น ปุญญาพี่สังขารเนี่ยเกิดมากมายมันอยากเทศอยากสอนอยากพูดอยากคุยอยากเอาคนนั้นมาปฏิบัติอยากเอาคนนี้มาปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะแต่ว่ามันเป็นเพียงขั้นตอนของการพัฒนาแต่ถ้ า, าว่าเจ้าของไม่รู้จักตัวเองเนี่ยมันก็จะหลงเอาคนนั้นมาเป็นธรรมะหลงเอากิเลสมาเป็นธรรมะเราเรียกอาการนี้ว่าวิปัสนูปกิเลสคืออุปสรรคของวิปัสนาก็คือตัวกิเลสตัวนี้เป็นอุปสรรคดังนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มีครูบาอาจารย์ ท่านก็จะสังเกตเห็นว่าอาการอย่างนี้มีอยู่กับเราเราก็ท่านก็จะใช้คูบายในการที่จะคอยแก้ไขแต่ในกรณีคนนั้นไม่เอาคูบายอาจารย์ไม่หนักแน่นในคูบายอาจารย์ก็ได้แค่นั้นแหละก็จะสอนอยู่แค่นั้นแล้ววันใดวันหนึ่งรูปนา ม, มันหมดสภาพมันก็กลับไปที่เดิมอีกทุกต่อไปอีกข้อมาเคยเป็ น, นเพราะฉะนั้นเรื่องกรรยานามิตรคูบาอาจารย์จึงสำคัญณจุด น, น, นี้ณจุด เ, เมื่อเมื่อเราติดบุบษัทอันใดหนึ่งเราท่านช่วยเราได้ในพุทธศาสนาเราจึงมี อาจาริยวัตรครูบชายวัตรขึ้นมานะเพื่อให้ท่านได้ช่วยในจุดนี้คือหมายความว่าถ้าเรามีครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็จะเกิดจิตเคารพจิตหนักแน่นในยามาเนี่ยเคยบวชมาตั้งแต่เป็นเนรได้อุปถาบธรรมครูบาอาจารย์มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันก็มีจิตตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการของอวิปัสสนุอะไรมันจะแทะขนาดไหนเนี่ยมันมันไม่กล้าระมิดล่วงเกินครูบาอาจารย์มันมีตัวนี้ไปบังคับอยู่ แต่ถ้าเราไม่ได้สั่งสมอริยวัตปัญญยาวัตมาเนี่ยเมื่อกิเลสตัวใดตัวหนึ่งมันเข้าสิงแล้วเนี่ยเราไปสําคัญว่ามันเป็นธรรมะเราก็จะวิ่งตามมันครูบาอาจารย์ก็สู้เราไม่ได้ใครจะไปสั่งสอนไม่ได้เลยอันนี้กิเลสตัวนี้มันแข็งเพราะนั้นตรงนี้ท่านเรียกว่าปะปัญจธรรมมันจะมีอยู่ห้าตัวด้วยกันคือตัาหาราคะโทสะตัณหามานะทิฏฐิ5ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าปะปัญจะธรรมทาให้บุคคลนั้นเนิ่นช้าคือเข้าสู่ต้นทางพระนิพพานแล้วเนี่ยแต่เนื่องจากคุณสมบัติเบื้องต้นน้นนนใกาารรเอออ่ม ต่อครูบาอาจารย์นะไม่มีมาเป็นนิสยัยจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ไม่เอาก็เลยมักจะไปอยู่แค่นั้นอยู่แค่รูปนามแล้วไปต่อไปไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์ท่านฉลาดในการที่จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาจุดดีท่านกา็สร้างระเบียบของอาจารยาวัดขึ้นมาอุบชัยาวัดขึ้นมาเพื่อที่จะบำลาดกิเลสตัวนี้ให้ให้มันอ่อนมันยอมลงมานะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป้าหมายไม่ใช่ครูบาอาจารย์ต้องการให้ความเคารพคารวะจากลูกศิษย์ดูหานเนี่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ต้องการ แต่เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ที่ต้องทำพราออะไรพ่อเมื่อไปถึงปฏิบัติไปถึงอารมณ์ที่สําคัญแล้วเนี่ยเราจะมีครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งในการแก้ปัญหาจุดนี้ได้แต่ถ้าเราไม่มีจิตเคารพคารวัตรต่อครูบาอาจารย์แลเมื่อติดปัญหาตรงนี้แล้วเรานึกตรงนี้ไม่ออกเรานึกถึงใครไม่ออกว่าจะมาแก้ปัญหาจุดนี้ให้แก่เราพ่อไม่ได้สร้างสมมานั่นเราจึงเห็นว่าเรื่องวัดปฏิบัติต่างๆจะเป็นอาจารยวัดอุปชัยวัด ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลียวไหลไร้าสาระไม่ใช่เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องการเห<ๆ>เหินทะเยอทะยามอยากได้จากลูกศิษ ย, ย์ไม่ใช่แต่ท่านต้องการที่จะให้ผ่านอุปสรรคตรงนี้เท่านั้นเมื่อใดอกิเลสหรือวิปัสสนูตรงนี้มันเข้าคนคนนั้นลูกศิษย์คนนั้นจะได้เชื่อฟังนึกถึงครูบาอาจารย์นะตรงนี้ต่างหากที่ท่านกําหนดขึ้นมานะนั้นเราจะเห็นว่าในจุดเนี้ยในสายงานของเรายังยังมีข้อตรงนี้อยู่ถ้าแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยจะไปได้สวยงามมาก นะเพราะว่าธรรมะของวิธีการของนวงวโเทียนเนี่ยนะชัดเจนรุนแรงนะแล้วก็รวดเร็วแต่ว่าไปติดตรงนี้เพราะมันขาดตรงนี้นะขาดวัดปฏิบัติตรงนี้เมื่อกิเลสตัวนี้เข้าแล้วมันไม่เชื่อฟังใครทั้งนั้นนะไม่เชื่ออินไม่เชื่อครูไม่เชื่อครูบอาจารย์ทั้งนั้นเชื่อฉันเองนะตัวฉันเองมันก็เลยไปถึงตรงนั้นดังนั้นเองเราทั้งหลายก็พยายามศึกษาดูว่าวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์เป็นอย่างไรเพื่อในการพัฒนาภูมิธรรมของเราให้สูงขึ้น แต่นี้ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้มีอาจารย์วิตยอุปาชัยวัต ร, ตรจะก้าวหน้าทางทำไม่ได้ในกรณีที่บุคคลคนนั้นมีปัญญาเห็นความสำคัญแล้วก็สามารถบำหลาวิปัสสนานี้ได้ด้วยตนเองอันนี้ก็สามารถผ่านวิปัสสนานี้ได้แต่มันไม่มากคนอย่างนั้นไม่มากคนที่มีปัญญาขนาดนั้นมีไม่มากที่จะสามารถจะรู้ว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วสามารถสามารถปรับตัวเองได้เนี่ ดังนั้นเราจะเห็นว่าวัดปฏิบัติในศาสนาเนี่ยท่านจึงไม่ให้ประมาะทขนุนธรรมเนียมประเพณีบางอย่างเนี่ยเราต้องทําตามเพื่อที่จะให้อเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาเมื่อเราติดอุปสรรคของวิปัสนาดังนั้นเราพูดถึงว่าในรูปนามเบื้องต้นเนี่ยถ้าหากว่าคนไหนผ่านโดยที่ไม่มีอุปสรรคก็หมายความว่าบุคคล น, นั้นมีวาสนาบารมีพอสมควรที่จะต้องไม่ติดตรงนั้นแต่ในกรณีคนคนนั้นมี วาสนาบา ร, รมีสร้างสมมาไม่พอก็ต้องไปจิตอยู่ตรนั้นนานจนกว่าจะพบกับครูบาอาจารย์ที่สามารถช่วยแก้ไขได้จนกว่าจิตมันจะอ่อนจะน้อมจะยอมลงมามันจะผ่านนะเพราะฉะนั้นเองในประเพณีไทยของเราจึง เ, เน้นย้ําในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนนะความไม่มีทิฐิมานะนี่ยเป็นอย่างมากเพื่อที่จะมาเครือกคุลในเวลาเร า, าบารมีบธรมถึงตรงนี้แล้วมันเกิดอุปสรรคคุณธรรมตรงนี้ก็จะเมืาเครื่องคุณให้ผ่านอุปสรรคตรงนี้ได้ง่าย นะดังนั้นในรูกนาเบื้องต้นเนี่ยให้รู้จักทุก์ที่เกิดกับที่เขาเรียกว่ากายานุปัสนานะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราย้ําเน้นกันมากให้เป็นฐานที่สําคัญกายานุปัสนาเป็นเหมือนฐานบ้านหรือฐานถนนต้องตอกต้องย้ําต้องอัดต้องบีบถ้าเป็นบ้านก็เรียกว่าต้องตอกเสาเข็มให้ลึกที่สุดแหละสําหรับพิศติกหลายชั้น ถ้าเป็นถนนก็ถ้าเป็นถนนใหญ่ก็ต้องนวดแล้วนวดอีกเป็นปีๆแหละมันถึงจะแน่นพอฉันใดก็ดีฐานของรูปน้ำเนี่ยเมื่อเข้าใจรูปน้ำแล้วเนี่ยอย่าพิ่งไปไปดูความคิดทบทวนสอบสวนตรวจสอบมาอยู่ตรงนั้นก่อนให้ชำนิชำนาญแต่ว่าส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซนแล้วเนี่ยรียบไปดูความคิดเพราะมันมีของเล่นสนุกกว่ากับผมอาจจะมาก็เคยเป็นก็เสียเวลาหลายปีเพราะกระโจนก็ไปดูความคิดเลยรูปรูปน้ำเพียงเล็กน้อยไปดูความคิดเลยเพราะว่ามันสนุก ดูรูปน้ำก็เห็นแต่ทุกข์กับทุกข์ไม่มีอะไรเห็นแต่ทุกข์จิตของเราเนี่ยมันอยู่กับทุกข์นานๆมันก็ไม่อยากอยู่มันก็อยากสนุกไปอยู่ที่ที่มันไม่ต้องมันลืนทุกข์ไปเสียเพราะฉะนั้นเองก็ต้องใช้ความอดทนที่จะมาอยู่กับรูปนามตัวนี้มันทุกข์ขนาดไหนก็ต้องศึกษาต้องเฝ้าดูมันเลื่อยไปถึงเจ็ดสิบเอร์เซ็นแต่ก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดูจิตเลยก็ดูเหมือนกันแต่ว่าดูสักสามสิบเปอร์เซนตในช่วงที่เรายังรูปนามยังไม่เข้มแข็งก็เน้นอยู่ตรงนี้หละ่ จนกระทั่งว่ามั่นใจได้แล้วว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามั่นใจได้ว่าลูกนานเข้มแข็งตรงที่ว่าเมื่อใดความคิดอะไรเข้ามากระทบหนักหรือเบาก็ตามเราไม่เข้าไปอยู่ในความคิดนานเกินไปพอมันกระทบปั๊บมีเรื่องสําคัญเช่นเขาด่าพ่อร่อแม่เขาดูถูกประมาทประมาทหรือเขาทําอะไรให้คิดเนี่ยมันคิดในเรื่องนั้นไม่นานนะกระทบปั๊บพอคิดไปน้อยใจเสียใจหุ่นใจหมองใจปั๊บ พอได้สติปัป๊บกลับมาอย mm. well ู่ก to ับร <française> ูปกำนามอันนั้นก็หายไปนี้เรียกว่าฐานรูปนามเรื่องเข้มแข็งแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กเล็กน้อยนที่ออกมาได้ความคิดแต่พอเรื่องใหญ่ๆนี่สาวันเจ็ดคืนก็ยังออกไม่ได้อันนี้รูปนามก็ยังอ่อนอยู่นะพอถูกเขาด่าเขาว่าเขาตำหนิตีเรียนเน่ยก็เอาไปคิดแล้วคิดอีกนึกแล้วนึกอีกผูกอคตพยายิ่งไปกันใหญ่เลยนี้เรียกวถึงจะรู้รูปนามก็รู้ไม่แข็งไม่เข้มก็จะต้องทําต่อไปอีกเหมือนถนนน่ะถ้าอัดไม่แน่นถ้ารถเบาๆรถที่ไม่ต้องใส่อะไรมากจะวิ่งไไปด้สบาย แต่พอรถดังหนักผ่านมาอย่างรถอ้อ ย, อยรถหินรถทรายผ่านไปสุดนั่นแสดงว่าถนนอัดไม่แน่นชั้นใดก็ดีลูบน้ําที่มันไม่แน่นไม่มั่นคงเนี่ยมีเรื่องราวอะไรเล็กน้อยผ่านมาไม่เป็นไรผ่านได้สบายมากแต่ใครไปประมาทใครไปดูถูกถึงใจดําแล้วเนี่ยสุดเลยอารมณ์สุดเล ย, ลเลยนะเหมือนถนนดังนั้นจุดนี้สาคัญเพราะว่านักปฏิบัติของเรามาอยู่ในขั้นตอนตรงนี้มากแล้ไในที่สุด รู้ว่านู่นามของตัวเองสุดก็ไม่รู้สึกตัวก็เตลิดไปเลยนะหรือบางคนก็เอาอยู่แค่นั้นก็อยู่ได้นะแต่มันไม่เย็นมันไม่สนิทมันไม่ลึกซึ้งมันมันไ ม, ไม่แนบเนียนเพราะ ง, งั้นเถอะถ้ามีปัญญาก็ปัญญาไม่แนบเนียนเพราะฉะนั้นจุดนี้กา ย, ยานุปัสสนาต้องมันเน้นให้ชัดทีเดียวนะอย่าเบื่อในการเข้าดูทุกรู้ไปอยู่อย่างนั้นแหละดูจนกระทั่งมันมันเกิดปัญญาแล้วเราจะรู้ได้ไงมันเกิดปัญญาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่าย ตรงนั้นรู้ว่ามันมันมันเกิดปัญญาไม่เกิดปัญญารู้ตรงนั้นเหนื่อยนายคิดมากเนเบื่อความคิดเหลือเกินร่างกายนี้พูด พ, อพ่อคุณสะสมดูแลเอาใจใสม่มันก็เบื่อเหลือเกินแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องฆ่าตัวงใจแต่ลดภาระของสังขารลงลดาระที่จะปรุงจะแต่งลดาระที่จะกินจะอยู่ลดพละที่จะใช้จะสอยลดาระที่จะไปประคบ ป, ปัะงมมันเนี่ยให้น้อยลงเรื่อยๆเคยใส่มีเสื้อผ้าสิบชุดก็อาจจะเหลือสักสามสี่ชุดเคยกินสักสามสี่มื้อก็เหลือสักมื้อหนึ่งมื้อกว่าอย่างนี้ นะเคยใช้ของมากมายลดลงมามี่เขาเรียกว่าเบื่อหนในสิ่งที่เป็นสังขารเอาเท่าที่มันมีถ้าเราจึงเบาสบายในเรื่องอย่างนี้นะ <Okay. S 1> แต่นี้แม้ทุกภาพปฏิบัตินะพระปฏิบัติที่ว่าวงเล็บว่าเข้าใจด้วยถ้าไม่เข้าใจก็ยิ่งข้อคูณสะสมมากมายนะอย่างที่เราเห็นนะนะอย่างที่เราเห็นพระมีทรัพย์สมบัติมากมายเพราะไม่เห็นทุกต่างความเป็นจริงนั่นะเราจะเห็นว่าถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเลิ่กล้ไปตามลําดับเอามากล่าวหลายครั้งว่าเหมือนกับหน่อไม้ ถ้าหน่อไม้นั้นมันขึ้นตามธรรมชาติของมันเนี่ยเมื่อมันเติบโตขึ้นเนี่ยมันจะสลัดกับมันออกเรื่อยๆเมื่อมันออกกิ่งออกก้านออกดอกกับมันก็จะหลุดลงไปเรื่อยๆชันใดก็ดีถ้าจิตนี้มันเข้าสู่ร่องรอยธรรมที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะสลัดตัณหาอุปทานที่เป็นกับห่อไว้เนี่ยเรื่อยๆแต่ถ้ามันไปตามร่องรอยทํามไม่ถูกต้องหน่อไม้นั้นก็จะตายที่ทั้งที่มันเปลือกมันยังหุ้มอยู่แหละหรือบางทีขึ้นไปสูงแล้วเปลือกฉลัดไม่หนวดล่วงเข้าไปเจาะตายเหมือนกันหรือเป็นไม้ที่ไม่สมบูรณ์ออันนีี้ก็มเยะ ชั้นใดก็ดีในขณะที่เรากําลังอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติอารมณ์ของเรายังไม่ถึงที่สุดเนี่ยเรารีบไปทําการทํางานซะก่อนเนี่ยร่วงเจาะธรรมะไม่สมบูรณ์การแสดงออกก็ไม่ไม่หนักแน่นไม่เข้มแข็งอันนี้เขาเรียกว่าร่วงมันเจาะถ้าโตเป็นต้นไม้ก็ไม่สวยยอดหักบ้างลำไม่สวยบ้างเป็นสิ้นเป็นแมงเป็นรูเป็นเป็นรูเป็นไอ้บา ท, ที่เราเคยเห็นนหะลำไม่สวย ดังนั้นเองตรงนี้ต้องตรหนักโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยต้องตรหนักชัดมากตรงนี้ว่าเราอย่ารีบร้อนในการที่จะไปเฝ้าดูจิตต้องต้องซ้อมอยู่กับความเพียรให้มันหนักแน่นในความเพียรหนักแน่นในกายานุปัสสนานี้มากๆที่ในตัวกายานุปัสสนานเนี่ยมันก็มีตัวบวกลงไปที่เรียกว่าเวทนาคือในส่วนที่เป็นกายเนี่ยมันเป็ น, เ ป, นเป็นรูปเวทนาตรง น, นี้ก็เรียกว่าเป็นนามหรือว่ารูปนมามเนี่ยต้องมีเวทนาบวกเข้าไปด้วยเวทนาที่เป็นความพอใจไม่พอใจ หรือความสบายกายไม่สบายกายเนี่ยเป็นเวทนาก็ดูตรงนี้ไปด้วยดูอย่างๆถ้าสมสิเปอเซ็นตดูเวทนาเวทนามีสองส่วนคือเวทนาทางกายกับเวทนาทางจิตเวทนาทางกายก็เย็นร้อนอ่อนแข็งแข่งตึงไว้เจ็บปวดเมื่อยพวกนี้เป็นเวทนาทางกายที่เราบองบัดกันแล้วก็ดีทั้งวันเนี่ยก็บังบัดเวทนาทางกายแต่บางคนมีบวกเวทนาทางจิตเข้าไปด้วยนั่งนานเป็นวันไม่รู้จะนั่งไว้ทำไมนั่งนานไม่พอใจเป็นเวทนาทางจิตขึ้นมาอีกแต่บางคนก็พอใจได้ทำแล้วรู้สึกสุขสบายเย็นโปร่งโล่งสบาย ก็เป็นเวทนาสุขเวทนาทางกิตขึ้นมาอีกบางคนก็เฉยเฉยสบายก็เฉยเฉยไม่สบายก็เฉยเฉยดูมันเฉยเฉยเป็นทุกข์กับไม่สุขเวทนาเป็นเวทนาที่เราจะต้องดูทีนี้เวทนากับสติเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นเวทนาอันไหนเป็นสติตัวนี้แยกกันให้ชัดเวทนาคือตัวที่เป็นความรู้สึกสเสวยอารมณ์ทางกายน ะ, สะเสวยอารมณ์ทางจิตเป็นตัวทุกขเวทนาเป็นส่วนใหญ่นะแต่ทุกสุขเวทนานั้นมีน้อยเหลือเกิน ทีนี้ตัวสตินั้นก็เป็นตัวรู้สึกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนเวทนาเวทนารู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆแต่สตินั้นจะเป็นตัวรู้สึกที่เฝ้าดูเวทนาอีกทีหนึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วตัวเวทนาทางกายทางจิตเนี่ยเหมือนกับคนไข้แต่ความรู้สึกที่เกิดจากสติเนั้นเหมือนหมอที่เฝ้าดูคนไข้อีกทีหนึ่งหรือเหมือนพยาบาลที่คอยดูคอยดูแลคนไข้อีกทีหนึ่งนี่เพราะนั้นสติกับเวทนานี่ยทําหน้าที่ต่างกันแต่คล้ายๆกัน นะอันหนึ่งเป็นความรู้สึกเสวยอารมณ์แต่อันหนึ่งเป็นความรู้สึกเฝ้าดูอารมณ์เหมือนคนไข้กับหมอหรือคนไข้กับพยาบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเฝ้าดูกายของเราเนี้ให้เหมือนคนไข้อณัดปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยท่านจึงไม่ทําอะไรที่มันลักษณะที่หุนหันพันนั่นรวดเรียวรวดพ้ท่านให้ทำเหมือนกับคนป่วยจะลุกจะย่างจะนั่งจะเดินค่อยๆเพื่ อ, อ, อกําหนดรู้ให้ชัดเหมือนคนป่วยคือต้องการที่จะเฝ้าดูเวทนาตัวนี้ให้ชัดนะมีกําลังก็เหมือนไม่มีกําลัง นะท่านบอกอย่างนั้นนะหมายความว่าคอยประคับประคองคอยสัมรวมดังนั้นตรงนี้เมื่อมาสู่เวทนาทุกศานาก็หมายความเฝ้าดูอาการความสบายความไม่สบายความรู้สึกต่างๆทางการนี่ให้ชัดนะให้ชัดชัดเจนมากแต่เฝ้าดูทางกายเมื่อกี้หมายถึงว่าเฝ้าดูอาการของความเคลื่อนไหวในเยรีบท4ี่นะภาพตาอาปากหายใจคือน้ำลายอะไรต่างๆนี่เป็นเป็นอาการของกายานุปัสนาแต่ได้มันลึกในส่วนกายเวทนานุปัสนาเข้ามารู้ชั้นที่2เป็นรู้เย็นร้อน นอนแข็งในขณะนี้เรานั่งนานเนี่ยอากาศร้อนแล้วนั่งนานปวดขานั่งนานเมื่อยปวดเอวเพราะวันนี้นั่งมาทั้งวันก็กํำลังรู้ถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ก็อย่าไปทุกข์กับมันก็ดูมันเฉยๆเหมือนเราเฝ้าดูคนไข้นี่คือการเฝ้าดูลักษณะอย่างนี้เมื่อเฝ้าดูรูปนามตรงนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยสติมันจะว่องไวเองเหมือนกับมันวิ่งลอกอยู่เนี่ยสติมันวิ่งลอกไปจนเท้าวิ่งอยู่ตรงเนี้ยวิ่งอยู่ทุกวันทุกวันเหมือนกับเราขับรถวิ่งอยู่ทางเดียวมันจําได้ มันจำได้เมื่อมันจำอารมณ์ได้อย่างนี้ชัดเียวรู้จักเริ่มรู้จำแล้วตรงนี้เนี่ยรู้จำจำอาการของรูปของนามว่าจำอาการของทุกข์เป็นอย่างไรเห็นชัดเจนตลอดเวลาเมื่อเห็นชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยกําลังของสติมันจะเพิ่มขึ้นเองเพรมก่อนเนี่ยสติของเราเนี่ยถูกความคิดความปรุงแต่งดึงดูดเอาไปวิ่งข้างนอกมันไม่ได้มาวิ่งตรงนี้มันไปวิ่งในเขาเรียก ว, ว่าในวัฏจักรในสังสารจักมันไม่ได้มาวิ่งในธรรมจักร ตัวเรานี่แหละที่สติมันวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่เป็นธรรมจักรคือวิ่งในองค์แห่งธรรมเราจึง อ, องค์ของธรรมจักรให้มาตั้งเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาเมื่อใดเรามีสติสมัญจะวิ่งรอบอยู่ทั้งเปลหัวจุดเท้าตลอดเนี่ยเขาเรียกคนนั้นอยู่ในกําลังหมุนธรรมจักรไม่ใช่ไปช่วยเป็นหมุนธรรมจักรไอหินแกรนิตอยู่ที่พุทธมณฑลไม่ใช่งี้ยหมุนธรรมจักรทุกคนในคือหมุนสติสมัชย์ยะในตัวของตัวเองเนี่ยนี่ท่านจึงออาการที่สติสมัชย์ยะหมุนอยู่ในตัวเองนี้เป็นกลงล้อธรรม มีคือเบื้องหลังของมันแต่ส่วนใหญ่เรา ไ, ไปหมุนในสังสารายจักหรือวัฏจักพอไปหมุนในนั้นก็คือไปอยู่ในความคิดแต่พอมาหมุนในธรรมาจักแล้วออกมาจากความคิดเรามาอยู่กับเฝ้าดูอาการนี่ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรยพราะนั้นในครั้งพุทธการว่าเมื่อพระุทธเจ้ า, เาไปคุยธรรมะ ก, กับใครทําไมาคนนั้นยิงได้ดวงตาเห็นธรรมได้ไวเพราะว่าท่านตรัสชัดเจนแล้วก็ประกันหนักแน่นด้วยไม่มีใครไปชักให้เขวแต่ทุกวันนี้ร้อยอาจารย์ก็ร้อยอย่างเราไม่รู้จะเชื่ออาจารย์ไหน เราถึงช้าเราถึงค่อยๆแต่เรา เ, เชื่อมั่นลงไปว่าคําพูดของอาจารย์ไหนพิสูจน์ได้เอาไปใช้ได้เนี่ยไม่ต้องไปค่อยๆลังเลทำลงไปเลยนะให้สติสมรย่าของเราในหมุนชัดอยู่ในอาการของของกายตั้งแต่หดหุดเท้าเนี่ยอาการเป็นยังไงให้เห็นตลอดเวลาเมื่อชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยสติว่องไวปัญญาว่องไวขึ้นมันจะไปรับรู้อาการของจิตเองไม่ต้องไปยกสมถะสู่วิปัสนายอย่างที่เขาว่ากันแล้วจิตมันยกขออมันเอง เมื่อมันชํานาญแล้วมันยกของมันเองเหมือนกับเด็กขนาดที่เล็กๆอยู่มันก็ยกของเล็กๆพอโตมามก็ยกของใหญ่ของไปไม่ต้องไปสอนว่าเอออันนี้ใจโตแล้วนะต้องยกน้ําหนักอันนี้นันถึงจะได้ไม่ต้องไปสอนมันมันจะพัฒนาของมันเองสติปัญญาของเราเมืองกันถ้ามันฝึกชํานาญรู้จักอาการของการัองจิตมันเป็นสมถะเนี่ยลูกนามีเป็นสมถะอยู่แต่พอมันจะนิชานาญแล้วมันก็จะไปเฝ้าดูอาการของจิตมันก็จะไปรับรู้เรื่องที่มากมายขึ้น เรื่องร่างกายเนี่ยมันไม่มากเหมือนเรื่องจิตจิตมันเรื่องมากมายว่องไวนะกวัดแกงถ้าหากว่าสติสัมปชัญะไม่เข้มแข็งไม่รวดเร็วไม่แม่นยำ ม, มากๆเนี่ยมันจะจับไม่ได้เพราะฉะนั้นอาการที่สติสมัมปชัญญปัญญาเข้าไปจับอาการของความคิดได้ชัดเจนแม่นยำแล้วก็ตกไปทันทีเนี่ยเรียกว่าจิตของเราอยู่ในทางสายกลางเพราะฉะนั้นทางสายกลางที่ว่ามัทิมาปฏิปทานไม่ได้ไม่ได้แปลว่าใช้สายกลางหรือแปลว่าแม่นยำ มืนยิงลูกธนูเรายิงลูกปืนถ้ามันเข้าเป้าเนี่ยมันแม่นยำก็แสดงว่ามันไปตรงมากตรงมันถึงเข้าเป้าถ้าไม่ตรงไม่เข้าเป้าเพราะนั้นมัชชิมาจึงแปลว่าตรงแม่นยํามันก็เป็นสายกลางโดยอัตโนมัติมันไปตรงกลางพอดีแหละตรงนั้นตรงกลางพอดีมันเข้าเป้านี่คือความหมายของมัชชิมาแต่ถ้าหากว่าความคิดอาการการภูมิใจเกิดขึ้นในจิตในใจกําหนดเท่าไหร่ก็ไม่หลุดกําหนดเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่วางนั่นแสดงว่ายิงไม่แม่นแล้ว มันไม่อยู่ในทางสายกลางแล้วสติปัญญาของเรามันไปอยู่ทางสายสายข้างแล้วกําหนดเท่าไหร่ไม่หลุดหลายคนเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องง่ายๆอาจจะกําหนดหลุดเนี่ยเป้าเป้าง่ายๆเป้าใกล้ๆเนี่ยกําหนดหลุดแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันเหมือนกับเป้าไกลๆเหมือนกับเขามาดา่าเขามาดูถูกเขามาตำหนิโดยเฉพาะยญิงผู้หญิงเนี่ยเป็นหนักนะถ้าเขามาดูมาด่ามาว่าคือจี้ใจดําแล้วเนี่ยมันมันกินลึกเลยทีเดียวนะโจเนตกำหนดเท่าไหร่ไม่ค่อยหลุด เพราะว่าสติปัญญาตรงนั้นมันยังไม่แหลมคมแล้วก็ยังไม่รุนแรงพอถ้ามันรุนแรงพอยิงเข้าเป้าทนั้นทะลุเลยนะยิงทะลุเลยดังนั้นเองเราต้องฝึกตรงนี้ให้มากยังไงอันนี้คือข้อต่างข้อพิเศษในวิธีการของพระเทียนเราต้องฝึกหนักเพื่อจะไปกำหนดตรงนั้นนะแล้วก็เราจะต้องกำหนดให้ถูกต้องด้วย ถ้ากำหนดไม่ถูกต้องก็ไม่เข้าเป้าอีกกําหนดถูกต้องมีข้อที่จํากัดลงไปว่าหนึ่งให้มีอาตาปีคือมาเพียนอยู่เรื่อยๆฝึกซ้อมอยู่เหมือนคนฝึกซ้อมยิงปืนเนี่ยมันจะสูญเสียลูกกระสุนมากเท่าไหร่ช่างมันแต่ขอให้มันแม่นยําเพราะต่อไปเราสูญเสียลูกกระสุนเราสูญเสียลูกกระสุนมากขนาดนี้ต่อไปเราจะเพียงเสียกระสุนลูกเดียวมันจะเข้าเป้าเราทําความเพียนมากๆในขณะนี้ต่อไปเราเพียนนิดเดียวมันก็จะกําหนดถูกแล้วก็ล่วงลงเลยเพราะฉะนั้นเราฝึกนังบอยเนี่ยมันยก มันชกแค่สิบยกแค่สิบสอ ย, ยกยมันต้องการแค่นั้นแต่ว่ามันซ้อมเป็น100เป็นร้อยๆยกเป็นพันๆยกหลายพันยกอันนี้เป็นหมื่นยกเนี่ยเพื่อต้องการหมัดเดียวที่มันเข้าเป้าเท่านั้นเองชั้นใดก็ดีเรายกมือเนี่ยสร้างจังหวะเป็นหมื่นเป็นพันอ่าเป็นแสนกะ็ได้แต่ต้องการกําหนดเข้าไปในขจัขณาจิตเดียวแล้วเมื่อจิตคิดขึ้นมาเนี่ยกาหนดไปพุ่เดียวเนี่ยล่วงเลยต้องการจุดนั้นเท่านั้นน่แต่ถ้าหากว่ามันกำหนดกําหนดจุดนั้นไม่ร่วมก็หมายความว่าต้องซ้อมหนักต่อไปอีก ซ้อมให้ถูกต้องด้วยคือมีอาตาปีนะคือฝึกฝนต่อเนื่องอาตาปีสติมาอันนี้เบื้องต้นได้กล่าวไปโดยอุปมาอีกแบบหนึง่งอันนี้อุปมามาต ร, ตรงตรงเลยทีเดียวว่ามีอาตาปีและมีสติมานะคือหมายถึงว่ากําหนดเพียนเพ่งเผาอาตาตบะโดยนิพิพัฒน์ว่าเพียนเพ่งเผาดังนั้นในองค์ของสมาธิเนี่ยเป็นตะบะสมาธิเนี่เป็นอาตาปีแล้วคือจิตที่เป็นสมาธิเพียนเพ่งเผาตรงไห น, นตอนแรกก็เผา กายเผาเวทนาก่อนกําหนดที่กายเวทนาก่อนเมื่อมันอ่าเผาเพลียนเพ่งตรงนั้นอาตม า, าสามปาัญญานุก็ต้องต้องต่อเนื่องด้วยต้องเผาเท่าไหร่มันถึงจะหลุดไอ้ความคิดอันนี้กําหนดเท่าไหร่มันถึงจะหลุดเหมือนเราต้ม อ, อะไรบางอย่างเนี่ยถ้าใช้ต้มสิบนาทีมันไม่เปื่อยหรือง่ายๆเอาขั้วขัดตอกดีกว่านะขั้วนาทีสองนาทีมันไม่แตกต้องขั้วหลายนาทีขึ้นไปมันแตกชั้นใดก็ดี ตัวความคิดความปรุงแต่งเนี่ยถ้าเราเอาความเพียรเข้าไปเพ่งเขาแล้วมันไม่หลุดก็ต้องเพิ่มความเพียรเพิ่มความร้อนให้มันก็อย่างที่กล่าวเมื่อไม่คิดว่าเพิ่มสัมปชันญูคือความต่อเนื่องยาวๆหน่อยความต่อเนื่องกำหนดรูดต่อเนื่องยาวๆหน่อยแล้วก็สติมานั้นต้องกําหนดให้ชัดเจนและแม่นยำด้วยนั้นเราจะเห็นว่าอ น, นิองค์เขามันว่าการที่จะไปเฝ้าดูจิตเนี่ยนะจะต้องเฝ้าดูกายให้แม่นยำชัดเจนหนักแน่นนะเมื่อไปดูอาการของจิตแล้วมันจะเห็นอะไรมากมาย แต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจรูปน้ำแล้วไม่ครบไม่ท้วนไม่หนักไม่แน่นไม่ชัดไม่เจนไปดูอาการของจิตเป็นวิปัสนาแน่นอนเลยนะอันนี้คือทางของวิปัสนาที่อารมณ์รูปน้ำยังไม่หนักแน่นยังไม่ชัดเจนเพียงพอเข้าไปเฝ้าดูจิตมันก็จะปั่นหมุนไปตามทางของมันทันทีเลยอ่าเหมือนกับเราว่ายน้ํายังไม่แข็งโดดไปสู่กระแสถูกน้ําปั่นลงวังไปเลยนะผ่นปั่นไปตามกระแสข้งมันเราก็สำลักน้ำบางทีลอยคอได้เนี่ยในกรณีที่ว่ายน้ําไม่เป็น ฉั้นใดก็ดีการที่เรามาฝึกเนี่ยฝึกตัวรูกตัวนามเนี่ยฝึกว่ายน้ำว่างั้นเถอะต่อเมื่อใดสติสมรชาติมันเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปอเข้าไปว่ายของมันเองเหมือนคนที่ว่ายน้ำเป็นนะน้ำลึกน้ำตื้นนั้นไม่ไม่สนใจแล้ะมันไม่ไม่เกี่ยวแล้วเหมือนกันถ้าสติสมรชาติที่รูกนินามันเข้มแข็งชัดเจนแล้วเนี่ยเรื่องจะใหญ่ใจเล็กมันเฝ้าดูได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหาจะลึกใจตื้นเฝ้าดูได้ทั้งนั้นมันไม่เข้าไปแล้วะดังนั้นเองเราจะเห็นว่า การเจริญสติแบบนี้มันมีที่ไปมีที่มามีที่เข้าใจชัดเจนไม่สับสนถ้าเป็นตามสูตรของผู้เรียนจริงๆนะไม่สับสนแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจสูตรนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมันหุ่นไปหมดนะเราสับสนไปหมดนั่นเราจะเห็นว่าการปฏิบัติแบบนี้เป็นการย่อหลักของขั้นใจติดลบทั้งหมด8ปดหมืี่พันขธรรมขั้มเนี่ยย่อมาเหลือตรงนี้เองนะย่อหรือมาปฏิบัติง่ายๆนี่เองดังนั้นเองมั่นใจได้เลยว่าไม่ผิดพลาดแต่ว่าก็นั่นแหละการเดินทาง เหมือนการเดินทางถ้าหากว่าเราได้คนนำทางที่ชำนาญทางเราก็จะไม่หลงแต่บางคนที่เดินทางไปครั้งสองครั้งนานแล้วเนี่ยก็มานำใหม่บางทีหลงทางก็มีบ่อยครั้งไปหรือบางคนแม้แต่ชนานาญทางแล้วเนี่ยก็มีโอกาสหลงได้เหมือนกันถ้าหากว่าไม่ชัดเจนจริงๆ ด, ดังนั้นเองสำคัญเยอเลย